ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกระหันตะสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าพระองค์นั้นนาโอกาสนี้เป็นต้นไปเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้นั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชร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 เราต้องปล่อยวางวางอารมณ์ที่มันค้างอยู่ในใจจะเป็นความดีอกดีใจก็ตามให้ปล่อยวางละทิ้งไว้ก่อนจะเป็นความทุกข์กายทุกข์ใจอย่างไรก็ตามไม่ต้องให้จิตใจไปเป็นทุกข์เป็นร้อนกับสิ่งภายนอกเหล่านั้นอดีตอนาคต เป็นของไม่มีมันหมดไปแล้วยังไม่มาถึงจิตใจของเราในเวลาปัจจุบันขณะ น, นี้เวลานี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาทำจิตใจของเราให้มีความองอาจกล่าหาญไม่ปล่อยให้ถีนมิทธะ ความง่วงเหงาเหานอนเข้ามาทับถมดวงใจระลึกโยเสมอว่าเวลานี้ขณะนี้เป็นเวลาปฏิบัติบูบชาเป็นเวลาภาวนาละกิเลสตั้งใจให้สูงส่งเราจะเป็นผู้มีสติความระลึกได้อยู่เสมอในใจ เราจะต้องตั้งใจปฏิบัติบูบชาภาวนาจริงๆอย่าไปคิดว่าความคิดนึกในใจของเราไม่มีใครรู้ใครเห็นคิดไปปรุงไปแต่งไปไม่ได้เสียนิสัยคือว่าทำอะไรไม่จริงเวลาตั้งใจทำภาวนาก็ให้เป็นความตั้งใจลงไปใครจะรู้ไม่รู้ก็ตามเราจะต้องตั้งใจ ปฏิบัติบูชาภาวนาในจิตใจตั้งใจของเราขึ้นมาให้มันสูงส่งถ้ามันเข้มแข็ง้ามันมีความสามารถอาจหารในหัวใจนี่ความเน็ดเหนื่อยเมื่อหิวอันใดที่บังเกิดขึ้นในรูปปัขัน์จิตใจก็อย่าเป็นทุกข์เป็นร้อนกังวลวุน่นวายหรือบางคนนั้นจะมีโรคภัยไข้เจ็บ บางเกิดขึ้นมาแล้วก่อนเรานั่งสมาธิภาวนาก็มีก็อย่าไปทุกข์ไปร้อนกับสิ่งเหล่านั้นหรือบางเวลามันอาจจะเกิดเจ็บปวดทุกขเวทนาขึ้นในเวลาที่เรานั่งหลับตาภาวนาพุทโธพุทโธอยู่นี่แหละไม่ว่าอารมณ์เรื่องราวใดๆที่เกิดขึ้นมีขึ้น ในจิตใจของเราช่วงระยะที่เราฟังธรรมอยู่นั่งภาวนาอยู่นี่เราจะตั้งอกตั้งใจชำระจิตใจนี่ให้ผ่องใสสะอาดไม่ให้มีความเกี่ยวข้องผัวพันธ์ในอารมณ์ภายนอกทุกลมเข้าไปทุกลมออกมา จงเป็นผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ในจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้เท่านั้นไม่ต้องแช ส, สายไปในเรื่องราวอาดีตอนาคตภายนอกออกไปนั้นไม่มีที่จบที่สิน้นคือคนเราทาไปพูดไปคิดไปตามอำนาจตัณหาธรรมดาตัณหาในใจของมนุษย์คนเรานั้น ไม่มีเมืองพอมันดิ้นลนวุ่นวายอยู่ตั้งอนเนกชาตินับพบนับชาติไม่ถันแล้วคันมาในเวลานี้เดี๋ยวนี้มันก็ยังดิ้นลนวุ่นวายไม่ยอมสงบระ ง, งับตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติจงรวบรวมกำลังจิตกำลังใจของตอนให้เต็มความสามารถอาจฐานตั้งใจให้เต็มที่ แล้ว่าตั้งใจสุดแรงเกิดสุดกำลังสุดความสามารถอาจหารใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาวิชาความรู้ในจิตใจของเราให้เต็มที่ไม่ให้ความง่ว ง, งวเหงาเหงานอนเข้ามาทับถมไม่ปล่อยให้อารมณ์ต่างๆเข้ามานอนเนื่องคิดปรุงแต่งอยู่ในใจ เจ็ตใจของเราในเวลานี้เรียกว่าพุทธโธพุทธโธเป็นที่ตั้งตั้งใจขึ้นมาตั้งตัวขึ้นมาเอาเจิตใจดวงนี้ให้ผ่องใสสะอาดอย่าให้มันคุ้นคล้องมองใจด้วยอารมณ์ดีใจเสียใจอะไรก็ตามเจ็ตใจอย่าไปเกี่ยวเกาะกังวลกับอารมณ์เหล่านั้น ใครจะเกิดใครจะตายใครจะไปจะมาจะอยู่จะทำผิดทำถูกอะไรเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลส่วนจิตใจของเราให้มีความแน่วแน่มั่นคงอยู่ในใจนี้เต็มที่อย่าเป็นคนวิตกวิจารนวิตกวิจาร์ออกไปด้วยการสงสัยในทานการกุศลของตนบ้าง สงสัยในการรักษาสินห้าสินแปดขึ้นไปความลังเลสงสัยในใจอย่างนี้ท่านก็ไม่ให้มีให้ถือว่าสีนที่บริสุทธิ์จริงๆนั้นไม่ใช่สีนภายนอกเป็นสีนภายในคือช่วงเวลาที่เรานั่งสมาธิภาวนาเดี๋ยวนี้ขณะนี้แล้วนี่แหละได้เจวะสีน ศีลนั้นท่านว่าปกติกายวาจาจิตเดี๋ยวนี้เวลานี้ให้เรากำหนดเตือนใจของเราว่าเราไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์พิผิดในการกล่าวมุสาวาดื่มกินซึ่งสุราเมลยัยถือการเวลาปัจจุบันที่เรานั่งภาวนาอยู่นี่แหละเป็นเกณฑ์ลงไป เมื่อเดี๋ยวนี้เวลานี้เรานั่งหลับตาภาวนาพุทโธอยู่ไม่ได้คิดฟุ้งซ่านไปในที่ต่างๆก็ให้ถือว่านี่แหละศีละสีบริสุทธิ์ศีลวิสุทธิศีบริสุทธิ์เอาตัวปัจจุบันนี่แหละเป็นที่ตัง้ง ไม่ต้องคิดไปในอดีต ท, ทำมาไม่ดีอย่างโน้นอนาคตจะเป็นไปอย่างโน้นไม่ดีอย่างนี้ไม่เอาทางนั้นเอาดวงจิตดวงใจตั้งใจในเวลานี้พุทธโธรวมจิตใจลงไปให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ในใจนี้ใจมารใจสังขารใจกิเลสราคะโทสะโมหะตัดปล่อยออกไปให้หมดสิ้น เอกังจิตตังทำจิตให้เป็นดวงเดียวเอโกธรรมโมให้เป็นธรรมดวงเดียวให้เป็นชายคนเดียวให้เป็นหญิงคนเดียวไม่เกี่ยวเกาะกังวลด้วยอารมณ์ใดๆทั้งนั้นแต่ว่าตั้งใจย ก, ยกจิตใจขึ้นมาให้ใจคนในายใจเน่ให้มีพลังพลังงานความสามารถอานาน ใจคนเรานั้นไม่เพียงแต่ว่าใจอ่อนแอทอดแท้กลัวตายเท่านั้นไม่ได้จะต้องไม่ต้องกลัวตายกลัวมันก็ตายไม่กลัวมันก็ตายถึงเวลาตายต้องตายทุกคนเมื่อเป็นเช่นนี้เราไม่ต้องย่อท้อและไม่ต้องกลัวมันจะเป็นจะตายอย่างนั้นอย่างนี้สังขารมารกิเลสมารเหล่านี้จาให้มันมาหลอกลวงจิตใจอีกต่อไป จงเพียนเพ่งอยู่ในจุดที่เราภาวนาอยู่ในจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่ภายในตัวภายในใจนี้แลีก ว, ว่าพุทธโธอยู่ภายในนี้พระพุทธเจ้าอยู่ภายในใจรวมกําลังตั้งมั่นลงไปในดวงจิตดวงใจดวงนี้ให้ได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้มองเห็นว่า ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนนอกจากจิตใจนี่ออกไปแล้วทุกขังอริยสัจอย่างเต็มไปด้วยทุกทางนั้นดูชีวิตของเราที่เกิดมาตั้งแต่เกิดมาจนวัดนี้มันมีความทุกข์ความเดือดร้อนขนาดไหนบางคนเรียกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออะไรก็ตามถึงขั้นสลบตายไปก็มี แล้วก็ฟื้นขึ้นมาเมื่อเป็นเช่นนี้ถ้าเราไม่ตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวานาจริงจังแล้วจะไม่ทันกับกิเลสหรือว่าความทุกข์มันมีอยู่ในตัวนี้ต้องลุกขึ้นตือนขึ้นเตือนใจของเราว่าอย่ามัวมาหลับมาไหลอยู่อันความง่วงเหงาหาวนอนนั้นไม่มีที่จบที่สิ้น เพราะว่ามันเป็นกิเลสอันหนึง่งเรียกว่านิวารณธรรมนิวรังหามันครอบงำจิตใจของมนุษย์คนเราได้ทุกเวลาไม่ว่าคนเราจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะไปจะมาทางไหนขาดสติสัมปชัญญะแล้วกิเลสเหล่านี้มันก็จะต้องเข้ามาในจิตในใจโจมตีหัวใจของเราให้ ลุ่มหลงมัวเมาไปในที่ต่างๆเวลาภาวานาทำความดีในหัวใจท่านไม่ให้เป็นไปอย่างนั้นให้รวมกำลังเข้ามาสู่หลักปัจจุบันถ้าตั้งใจรวมใจลงสู่ปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้อยู่แล้วอะไรอะไรทั้งหมดมันมารวมที่ปัจจุบันนี้ทั้งนั้น เพราะว่าผู้ที่จะมีชีวิตต่อไปข้างหน้าก็ไปจากเดี๋ยวนี้เราจะบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาปฏิบัติบูชาทำใจให้สงบประ ง, งับตั้งมัน่นก็ทําเวลานี้นึกน้อมจเจริญเอาใจของเราให้ได้ไม่ต้องไปลอคนโน้นคนนี้เมื่อนั้นเมื่อนี้ไม่ต้องอรอเอาเดี๋ยวนี้เวลานี้ตัดอกตัดใจลงไป พุทธโธพระพุทธเจ้านี่จึงเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้ภายในยจิตใจนั่นดั น, นั้นเราต้องรวบรวมกำลังจิตกำลังใจตรงนี้ให้มีพลังงานอันสามารถอาฐานขึ้นชื่อว่ากิเลสตัณหาแล้วไม่ต้องมาเลี้ยงมันไว้ฆ่ามันลงไปทําลายมันลงไปเผาไฟฝังดินมันลงไปอย่ามาลงยึดลงถือเอาแค่ ความสุขความสะดวกสบายในนิดในหน่อยมองให้เห็นว่ามีรูปนามกายใจตัวตนอยู่ที่ไหนก้อนทุกกองทุกมันก็มีอยู่อย่างนี้แหละมันทุกเต็มตัวอยู่ทุกคนเราแบกทุกหาบทุกหามทุกขหิวทุกอยู่ตลอดเวลาเคยเจตมันไปทุกแทนคนโน้นคนนี้วุ่นวายแต่เรื่องภายนอก เรื่องภายในใจภาวานาในจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในเอาให้มันติดต่อนอเนื่องตลอดเวลาไล่ความหลงไล่ความง่วงความเหงาออกไปให้ใจมันแช่มชื่นมีความปีติยินดีในการที่เรามีชีวิตมาถึงวันเวลาปฏบิบัติบูชาภาวานาอยู่นี่ เพราะว่าชีวิตของคนเหล่านั้นไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนเราเห็นกันในวันนี้เดี๋ยวนี้อีกไม่นานก็อาจจะเกิดตายขึ้นมาก็มีจะเอาความแน่นอนในรูปนามกายใจไม่ได้ทางที่ดีเราต้องตต่นขึ้นลุกขึ้นบำเพ็ญภาวนาในทางพุทธศาสนา รวมกำลังตั้งใจให้มีสติระลึกอยู่ในใจนั้นเมื่อสติลรลึกอยู่สมาธิมันก็ตั้งมั่นลงไปได้ปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารมันก็มีอยู่ในนั้นหละถ้าหากว่าเราตั้งใจได้ปฏิบัติรวมจิตใจของตนได้แล้วอยู่ที่ไหนไปที่ไหนไม่ว่ากลางวันกลางคืนย่อมภาวนาได้ทุกเวลา นั้นเราไม่ต้องแชรทายลุ่มหลงไปในที่ต่างๆอติตาลมอารมณ์อดีตที่มันล่วงมาแล้วอันนั้นทันกวัวมันหมดไปแล้วล่วงลับไปแล้วไม่ควรเอามาคิดนึกในเวลานี้อีกอนาคตายานอนาคตาคืออนาคตการข้างหน้า จะดีก็เป็นเรื่องข้างหน้าจะชั่วเสียหายทุกเดือดร้อนอย่างใดก็เป็นเรื่องของอนาคตตการคือข้างหน้าเราจะไม่ไหวหวั่นท่านพึงไปในอดีตอนาคตจะรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในหัวใจนี่เมื่อจิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมกรรมฐานในทางพุทธศาสนา มีความลํำลึกอยู่ในตัวในใจมีความตั้งมั่นอยู่ในหัวใจของตนให้ได้ทุกเวลานั่งก็เป็นสมาธิภาวนาให้ได้ยืนอยู่เดินไปมาก็ให้มีสมาธิภาวนาในใจให้ใจดวงนี้ตั้งขึ้นมาเะวังจิตดวงนี้ยาให้มันหลงความสุขความสะดวกสบายแค่การหลับการนอน ไม่เอาเอาใจที่เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสมีสติอยู่ทุกเวลามีสมาธิอยู่ทุกเวลามีปัญญารอบรูในกองสังขารนี่ได้อยู่ตลอดเวลาเรียกว่าใจตั้งใจตั้งใจภาวนาพุทโธใจพิจารณาหลักอนิจจังทุกครั้งอนัตตาอยู่ภายในจิตใจนี่ ไม่ปล่อยให้อำนาจฝ่ายต่ำเข้ามาทับถมจนกระทั่งไม่มีเวลาปฏิบัติบูชาภาวนาะอันนั้นคือว่าจิตใจมันหลงเข้าใจว่าทาไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เอาหาข้อแก้ตัวแค่นั้นอย่าให้มันหาข้อแก้ตัวลมหายใจเข้าออกมีหรือไม่ ตัวเองก็ย่อมรู้ได้ทีเดียวว่าคนเราที่มีชีวิตอยู่ก็ต้องมีลมหายใจลมหายใจหรือว่าความตายนี่มันจะมาถึงเราเรากาหนดได้หรืออย่างว่าจะตายวันไหนเดือนไหนเวลาใดไม่มีใครกาหนดได้เมื่อเป็นเช่นนี้เราไม่ต้องทำใจให้ วุ่นวายไปที่อื่นจงรวบรวมกำลังจิตกำลังใจอันเป็นอยู่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ให้มีความสงบตั้งมัน่นให้มีความเข้มข้นมีความเข้มแข็งมีความจียบแหลมอยู่ในจิตใจอันนี้ไม่ปล่อยให้กิเลสราคะเข้ามาทับถมหัวใจนี้ไม่ปล่อยให้กิเลสโทสะโมหะมาทับถมจิตใจ จิตใจให้มันมีกำลังมีความสามารถเต็มที่ในหัวใจนั่นความตั้งใจภายในนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญที่สุดไม่ต้องไปคิดให้มันวุ่นวายรวมกำลังปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้ฮะมันเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ในหัวใจเอาให้สงบตั้งมั่นไม่วันไหว ใจิตใจของคนเรานั่นถ้าหากว่าเราตั้งใจได้จริงๆไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจจิเลส ก, ก็ได้เป็นไปอย่างนั้นเพราะว่าใจมันหลงลืมได้ง่ายพุทธโธพระพุทธเจ้าต้องรำลึกถึงอยู่เสมอด้วยอำนาจพุทธโธพุทธคุณยังใจิตใจดวงผู้รู้ผู้เข้าใจอยู่ในใจของเราให้มีกำลังให้มีความสามารถอาจหาน ไม่ต้องทอแท้ออนแอในหัวใจนี้เรียกว่ารวมกำลังลงไปตั้งใจให้มัน่นคำว่าตั้งใจให้มั่นนั้นท่านว่าเหมือนเราฝังหลักลงในผืนแผ่นดินแล้วลมที่พัดผ่านมาทั้งสี่ทิศไม่สามารถจะพัดเอาตอที่มัดที่ฝังลงดินนั่นไปได้ชั้นใด ใจของเราที่ตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอยู่ไม่วันไหวไม่ไปตามไม่ตามอารมณ์กิเลสตั้งใจให้มัน่นบริกรรมภาวนารวมจิตรวมใจให้สงบตั้งมัน่นลงไปในหัวใจจริงเมื่อจิตใจดวงนี้มีความตั้งมัน่นไม่วันไหวโยที่ไหนนั่งที่ไหนนอนที่ไหนยืนที่ไหนเดินไปมาที่ไหนก็ให้มีสติ คอยระมัดระวังอยู่ในหัวใจเรียกว่ารวบรวมกําลังจิตกําลังใจให้สามารถอาิฐานอยู่ภายในจิตใจนี่อะไรไม่สําคัญเท่าดวงจิตคนเราคนคนหนึ่งมีจิตใจเป็นใหญ่เป็นประธานสําเร็จแล้วโดวยดวงจิตดวงใจที่เราได้ยินได้ฟังธรรมคําสอนอยู่นี่ก็คือว่าใจที่ตั้งมัน่นนั่นแหละจึงจะฟังธรรมรู้เรื่อง ถ้าใจไม่มาตั้งมั่นไม่มาสงบไม่มาทำความรู้จักรู้แจ้งในจิตใจของตนแล้วจะเสียเวลาคือว่าการที่เราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนนั้นท่านว่าแสนยากเราดูอย่างนี้ก็รู้ได้เข้าใจว่ามดก็ตามปลวกก็ตามในผื้นแผ่นดินนับไม่ถ้วนแต่คนเราที่มาเกิดในโลกนี้นับ นับได้ว่ามีเท่านั้นล้านเท่านี้พันล้านเหตนั้นให้เราตั้งใจลงไปว่าเวลาใดก็ไม่สำคัญเท่ากับเวลานี้คือเวลานี้นับว่ามีความปลอดภัยทุกอย่างทุกประการชีวิตของเราอย่างต่อเนื่องมาจนถึงวันเวลาเดี๋ยวนี้ถ้าหาว่าเราเป็นผู้มีบุญน้อยวาสนานย้ยมันก็ตายไปแล้วแต่เมื่อวานนี้ เดี๋ยวนี้มันพ้นความตายมาถึงระยะนี้เวลานี้แล้วก็ให้ตั้งจิตตั้งใจรวมกําลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจนี้ให้ได้ทุกขณะทุกเวลาเมื่อใจไม่ท้อแท้อ่อนแออะไรอะไรมันท้อแท้อ่อนแอไปก็ช่างแต่ว่าจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจของเรานี่แหละอยาได้วันไหวยาได้สันสะเทือน รวมกำลังตั้งมัน่นลงไปในจิตใจนี้ให้ได้เพราะว่าตัวปัจจุบั น, นธรรมธรรมอันเป็นปัจจุบั น, นธรรมนี้ใครทำใครได้ใครประกอบใครยึดเหนี่ยวได้ก็พาให้จิตใจสงบประงงับเย็นสบายลงไปได้จิตใจนี้ไม่ต้องไปหาที่อื่นมันมีอยู่แล้วในตัวในใจนี่แหละ ในร่างกายสังขารของเราที่มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดล่ะเราจะเอามือแตะต้องที่ไหนมีความรู้สึกเท่าๆกันหมดนั่นแหละคือว่าจิตใจมันอยู่เต็มร่างกายสังขารอันนี้อยู่แต่ว่าถ้าเราไม่ภาวนาจึงไม่รู้ไม่เข้าใจปล่อยให้อำนาจฝ่ายต่ำเข้ามาทับถมดวงใจ เมื่อมาทับถมแล้วจิตใจมันก็ลุ่มหลงมัวเมาไปกับอาการเหล่านั้นดิ้นลนวุ่นวายไปตามอำนาจของตัณหาไม่ภาวนาละกิเลสเน้มันเด็ดขาดลงไปจิตใจนี่จะต้องอาศัยคนเราทำจริงปฏิบัติจริงจึงจะรู้จริงเห็นจริงในธรรมปฏิบัติถ้าไม่ทำจริง ใจไม่มั่นคงพอจิตใจไม่เอาจิงเอาจังแลยก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้เข้าใจเพราะว่าร่างกายสังขารอันนี้นั้นมันมีความแก่ชราเป็นอยู่ตลอดเวลาในขณะที่มันกำลังแก่ชราไปนี่แหละความทุกอย่างหนึ่งมันก็ปรากฏการออกมาได้แก่ความไม่สบายกายความไม่สบายใจ ความเจ็บไข้ได้ป่วยที่มันบังเกิดมีขึ้นในรูปนามตัวตนนี้แหละเราต้องตั้งใจภาวนายาได้มีความท้อถอยลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กิเลสในหัวใจของตนไม่ได้เหลอถ้าเราไม่ตั้งใจก็ไม่ได้ตลอดเวลาถ้าหากว่าตั้งใจลงไปแล้วเดี๋ยวนี้เวลานี้ เป็นเวลานั่งภาวนาอยู่เราจะไม่คิดฟุ้งซ่านไปในที่ต่างๆรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจของเหล่านี้ให้ได้เมื่อรวมกำลังตั้งมั่นลงไปได้แล้วพระธรรมวินัยสัตวุศาสนาคาสอนของพระพุทธเจ้านั้นย่อมมารวมอยู่กับจิตใจของบุคคลที่มีนั่งภาวนาปฏิบัติบูบชา และไม่ต้องไปอ้างการอ้างเวลาอย่างโน้น อ, อย่างนี้คนเราที่เกิดมาแล้วย่อมมีความทุกข์ประํำอยู่ทุกตัวสัตว์ตัวคนไม่มีสิ่งใดจิตใจมันก็เลื่อนลอยออกไปยึดมัน่นถือมั่นอยู่ภายนอกนั่นแหละไม่รวมกําลังเข้ามาตั้งภายในจิตใจของเราในขณะเดี๋ยวนี้ถ้าเราทุกทุกคนรวมกําลังเข้ามาในขณะนี้เดี๋ยวนี้ให้ได้ทุกเวลา เวลาไหนก็ตามเช้าสายบ่ายค่าให้ถือว่าจิตใจเป็นของมีอยู่ในตัวในใจนี้ตลอดการเราจะไม่พลั้งเผลอเราจะมีสติจิตใจของเราจะต้องให้มีสมาธิให้มีปัญญาให้มีความรอบรู้ในกองสังขารอย่ามายึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเราดีใจกับเรื่องเห่ันี้อยู่ ยงเพียรพยายามลุกขึ้นเอาจิตใจให้มีความสงบตั้งมั่นในธรรมะปฏิบัติธรรมะปฏิบัตินั้นไม่เลือกการไม่เลือกเวลามีอยู่ตลอดเวลาเราจะทำกิ จ, จ ก, กรรมการงานใดด้วยการขีดการเขียนการทำไร่ทำนาอะไรก็ตามเมื่อตั้งใจของเราให้ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมแล้ว ภาวนาได้ทุกกะเบียดนิว้วภาวนาได้ทุกเวลานั่งนอนยืนเดินก็ภาวนาทั้งนั้นแหละอย่าไปเข้าใจว่าเราไม่ได้ทาไม่ได้ปฏิบัติการปฏิบัติการประกอบกระทำนั้นเราจะต้องตั้งใจให้จริงเอาให้มันจริงใจลงไปให้ใจสงบตั้งมัน่น ไม่ต้องมาสงสัยอย่างนั้นอย่างนี้ตามสังขารมานกิเลสมามันโกโหกพกลมอย่าไปเชื่อไปหลงพระพุทธเจ้าท่านให้ภาวนาไม่ว่าภาวนาบทใดขอด้อใดอันใดก็ตามท่านให้ภาวนาทุกลมหายใจเข้าและออก ลมหายใจเข้าออกบอกกรรมาฐานเตือนเราท่านทั้งหลายว่าไม่นานภายในร้อยปีนี่แหละเราจะต้องตายไปคนละคนตายไปตามกาละเวลานั้นๆนไม่มีใครจะมายึดอยู่ได้มั่นคงดีเท่ากับเราเป็นผู้มีสติเตือนใจของเราอยู่ทุกเวลาว่าเดี๋ยวนี้เวลานี้ เป็นเวลาที่เราจะต้องตั้งใจบริกรรมภาวนาทำใจให้ของใสสะอาดปราศจากมนทินโทษเรียกว่าพุทธโธอยู่ภายในใจนี้ธรรมโมอยู่ภายในใจนี้สังโฆอยู่ภายในใจนี้ไม่ต้องไปหาที่อื่นพุทธโธพระพุทธเจ้าก็มีอยู่ในใจเพราะว่าใจของเราถึงคุณพระพุทธเจ้าแล้ว ใจของเราสงบได้นิ่งแน่วได้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเป็นพอใจคนอื่นผู้อื่นนั้นไม่ต้องไปไม่ต้องไปแก้ไปไขแก้ใจของเราเนี่ยมันขี้เกียดขี้ค้านมาก่ายขึ้นมาเมื่อใดเวลาได้เราไม่ยอมให้ความเกียดค้านทอถอยมาทับถมดวงใจเราจะต้องลุกขึ้นเดินจมกลม ไหว้พระสวดมนต์นั่งกรรมฐานภาวนาในจิตใจเมื่อจิตใจดวงนี้มีสรณะที่พึ่งยังมั่นคงดีแล้วเราจะได้สบายอกสบายใจมีเวลาภาวนามีเวลาปฏิบัติบูบชาภาวนาในจิตในใจของเราให้ได้ทุกวันเืนเดือนปีที่ผ่านไปความ เป็นผู้มีสติระลึกอยู่ว่าเดี๋ยวนี้เวลานี้เราทำอะไรเรานั่งสมาธิภาวนาอยู่ใช่ไหมเรานึกบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธในใจของเหล่านี้แหละเป็นอุบายทมอันเยี่ยมยอดในทางพุทธศาสนาเมื่อว่าเราท่านทั้งหลาย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 สุขีทีคายุโกุภาวะภีวาธนาชินิตาณิยังบุท ธ, ธาจจายิโนยัตาารุธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง